ตรั ด, ดีแล้วเป็นธรรมหันบุคคลผู้ปฏิบัติผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองเป็นธรรมไม่ประกอบเ้วยการเป็นธรรมที่ควรเรียกให้มาดูและบุคคลแรกที่ควรเรียกให้มาดูก็คือตนเองการปฏิบัติในสติปัฏฐาน พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าสติปัฏฐานที่ตั้งแห่งสติหรือความที่มีสติตั้งในกายเวทนาจิตธรรมเป็นเอกายโนมกโกทางไปอันเดียวสัตตานางวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย โสกะปริเดวานังสมติกามายะเพื่อก้าวล่วงโสกะความโศกความแห้งใจความรัญจวนคร่ำครวญใจลุคโดมนัตสานาังอัทังกมายะเพื่อดับทุกโทมนัตความไม่สบายกายไม่สบายใจ ยาัตสะอธิกรมายะเคือบรรุยายธรรมคือธรรมะที่พึงบรรลุธรรมะที่ถูกที่ชอบนิบานสสะสัจิสั จ, จ, สจิกิริยายะเพื่อกระทาให้แจ้งสึ่งนิพพานก็คือการปฏิบัติด้วยมีอาตาปี ความเพียรที่ตามสับแปล ว, ว่าความเพียรเผาคือเผากิเลสสัมปจานโนก็คือการปฏิบัติด้วยมีอาตาปีความเพียรที่ตามสับแปล ว, ว่าความเพียรเผาคือเผากิเลส สัมปชานโนมีสัมปชานะหรือสัมปัญญะความรู้รู้ตัวสติมามีสติกำหนดพิจารณากำหนดรู้วินัยโลเกอภิชาโดมานสังกำจัดความยินดีความยินร้ายในโลกดังนี้ และได้ตรัสสอนเริ่มตั้งแต่ข้อสติที่กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกโดยที่ตรัสสอนให้เข้าปา่าหรืออยู่โคนไม้หรือเรือนว่างอันหมายถึงที่ซึ่ง เป็นกายวิเวกสงัดกายแม้อยู่ในวัดอยู่ในบ้านอยู่ในที่ประชุมปฏิบัติเช่นในที่นี้ก็ชื่อว่ามีที่อยู่เป็นกายวิเวกสงัดกายได้เพราะมีได้คลุกคลีพัวพันในกันและกัน ต่างรักษาความสงบกายวาจาใจของตนจึงเหมือนอย่างอยู่ภูเดียวเพราะมมนได้เกี่ยวข้องในการในกันก็ น, นับว่าเป็นที่ที่เป็นกายเวกคือสงัดกายได้และเมื่อสงัดกายได้ก็ทำให้เกิดจิตวิเวกคือสงัดจิตใจได้ เมื่อสงัดจิตใจได้ก็ทำให้เกิดอุปัติวิเวกสงัดกิเลสได้ได้ตรัสสอนว่าเมื่อได้ที่อันสงบสงัดก็นั่งกายตรงดำรงสติรอบขอบเหมือนอย่างมีหน้าอยู่รอบด้าน ก็คือรอบขอบมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกยาวก็ให้รู้หายใจเข้าหายใจออกสั้นก็ให้รู้ศึกษาคือตั้งใจสำเนียกกำหนดว่าเราจะรู้กายทั้งหมดหายใจเข้าหายใจออก ศึกษาคือสำเนียกกำหนดว่าเราจับสงบระมับกายยสังขารเครื่องปรุงกายให้ใจเข้าให้ใจออกเหมือนอย่างช่างกรึงหรือลูกมือของช่างกรึงเมื่อกรึงยาวก็รู้กรึงสั้นก็รู้ดังนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ดังนี้ เป็นสูตรปฏิบัติที่ได้ตรัสสอนไว้เองโดยตรงเพราะฉะนั้นคูปฏิบัติก็ต้องเรียกตนเข้ามาดูให้เอให้เป็นเอฮิปัสซิโกในลมให้ใจเข้าให้ลมลมให้ใจออกของตนเองดังที่ตรัสสอนไว้และเมื่อ ไรียเรียกตนเองให้มาดูด้วยสติที่กำหนดพร้อมทางสำปญัญญาะคือรู้พร้อมทั้งญาณปัญญาคือความที่ยังรู้ก็ย่อมจะได้เห็นได้รู้ด้วยสติด้วยญาณในลมหายใจเข้าออกของตน ตามที่ตัดสอนไว้ยาวก็รู้สั้นก็รู้และเมื่อจิตรวมอยู่ก็จะรู้กายทั้งหมดทั้งรูปประกายที่ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ทั้งนามปะกกายคืออาการของใจที่กำหนดรวมกันอยู่และเมื่อ มีความเพียรอยู่ดังนี้มีความรู้ตัวอยู่ดังนี้มีสติอยู่ดังนี้ไม่ยึดมั่นยินดียินร้ายอะไรอะไรในโลกํำหนดให้รู้สงบอยู่ในภายในก็ชื่อว่าเป็นการสงบกายจะสังขารเครื่องปรุงกายทั้งรู ป, ปกายทั้งนา ม, มกาย รู ป, ปกายก็สงบลมหายใจก็สงบนามกายคืออาการทางจิตใจก็สงบสงบอยู่ในภายในไม่ไปข้างไหนและก็รู้อยู่ตลอดเวลาที่สงบอยู่นี้ว่าลมหายใจมีอยู่มีอยู่อย่างหยาบมีอยู่อย่างละเอียดจนมีอยู่อย่างละเอียดอย่างยิ่ง เหมือนยังไม่หายใจดังนี้ก็เป็นอาณาปานสติสติกํำหนดลมหายใจเข้าออกจะได้ข้อนี้ก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนให้มาดูตามที่ตรัสสอนดูด้วยสติดูด้วยญาณปัญญาก็จะเห็นจะรู้ลมหายใจ เป็นอาณาปานสติอันหนึ่งก็ได้ตรัสสอนให้มีสติรู้ในอิริยาบทพร้อมสังขสัมปัญญะความรู้ตัวในอิริยาบทเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินยืนก็รู้ว่าเดินยืน นั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่า น, นอนและให้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวพร้อมทั้งสติในอิริยาบถประกอบทั้งหลายเต้าไปข้างหน้าก็รู้ถอยไปข้างหลังก็รู้แลดูก็รู้เหลียวดูก็รู้เหยียดกายออกไปคู่กายเข้ามาก็รู้ นุ่งหม่มครองผ้าบาทสำหรับภิกษุก็รู้กินดื่มเคี้ยวลิมก็รู้ทายก็รู้เดินยืนนั่งนอนตื่นพูดนิ่งก็รู้ก็เป็นอันได้ปฏิบัติทมสติสัมปชัญญะในอิริยาบททั้งปวง ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นเอหิปัสติโกเรียกตนเองให้มาดูด้วยสติด้วยญาณปัญญาจึงจะรู้จะเห็นในอิริยาบทดังกล่าวอันหนึงน่งได้ตรัสสอนให้พิจารณากายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังคุ้มอยู่โดยรอบ ว่าเต็มไปในของไม่สะอาดมีประการต่างๆคือเกษาผมโลมาขนนักขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอัิกระดูก อี่ิมินยังเยื่อในกระดูกวักกังใตหะไดยังหัวใจยักกันนังตับกิโลมากังพังพืชปิหะกังม้ามปับผาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะกุนังสายรัดไสหรือไสเล็ก อุดริยังอาหารใหม่กรรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลต์ปุบโปน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเซโดน้ำเงือเมโดมันข้นอัตสุน้ำตา วสามันเลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกละศิกาไขข้อมุดต่างมุดรวมเป็นสามสิบเดในบางประสูติ์ท่านเติมอีกอาการหนึ่งคือมัทเกมัทหลงกังขมองในขมองศีษะ ก็เป็นอาการ32ซี่ซึ่งเราทั้งหลายมักจะพูดกันว่าอาการ32ก็โดยมีขมองในขมองทีรษะเพิ่มเข้าอีกหนึ่งตรัสสอนให้พิจารณาอาการเหล่านี้ซึ่งล้วนเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลตรัสสอนให้พิจารณา เป็นอย่างยางเหมือนอย่างถุงที่บรรจุธัญชาติต่างๆมีข้าวสาลีข้าวเปลือกเป็นต้นบดหุูมีจากสุกก็เปิดถุงที่บรรจุธัญชา ต, ต่างๆเหล่านี้และก็พิจารณาดูว่า เหล่านี้เป็นข้าวสาลีเหล่านี้เป็นข้าวเปลือกเหล่านี้เป็นถั่วเหล่านี้เป็นงาเป็นต้นการพิจารณาอาการสามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองก็ตรัสสอนให้จับพิจารณาเหมือนอย่างนั้นเมื่อได้ปฏิกูลและสัญญาความสําคัญหมายว่าไม่สะอาด ว่าปฏิกูลนาเกลียดก็เป็นอันได้ปฏิบัติในกายกตาสติสติที่ไปในกายนี้ก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนให้มาดูตามที่ตัดสอนไวน้นี้ที่กายนี้ของตนเอง โดยสติด้วยญาณปัญญาจึงจะได้กายกตาสติกรรมฐานข้อนี้อันหนึ่งก็ได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่ากายนี้ตามที่ตั้งอยู่ที่ดำรงอยู่นี้ประกอบด้วยธาตุทั้งหลายสี่คือปฐวีธาตุได้กกสนที่แขแข็ง อาโปธาต์ได้แก่ส่วนที่เหลวไหลเอิบอาบเตโชธาต์ได้แก่ส่วนที่อบอุ่นร้อนวายโยธาต์ได้แก่ส่วนที่พัดไหวเรียกกันง่ายง่ายว่าธาตุดินน้ำไฟลมพิจารณาว่ากายนี้ก็สัว์ตปว่าเป็นธาตุทั้งสี่นี้ประกอบกัน ก็ต้องเป็นเอหิปัสโกเรียกตนเองให้มาดูกายนี้ว่าประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ตามที่ตัดสอนไว้ด้วยสติด้วยญาณปัญญาจึงจะรู้จึงจะเห็นว่าสัตว์ว่าเป็นธาตุก็จะทำให้อัตสัญญาความสำคัญหมายว่าเป็นตัวเราของเราสงบลง จะเห็นสักตัวว่าเป็นธาตอันหนึ่งก็ได้ตรัสสอนให้พิจารณาซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาในครั้งพุทธกาลหรือในครั้งโบราณ น, นั้นเมื่อมีผู้ใดผู้หนึ่งตายก็นำศพไปทิ้งไว้ในป่าชาให้เป็นหน้าที่ของสั ป, ปรเร่จะเป็นผูเผาผู้ฟังในบัดนี้แม้ไม่มีแล้ว ก็ให้พิจารณาได้โดยสมมติเอาว่าได้มีศพที่เขาไปทิ้งไว้ในป่าชาดังกล่าวและเมื่อไปดูศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาดังกล่าวก็จะเห็นตั้งแต่ศพที่เขาทิ้งไว้นั้นซึ่งตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้าง ขึ้นพองมีสีเขียวน่าเกลียดจะได้เห็นว่ามีสัตว์ทั้งหลายมากัดมาจิกกินเช่นมีกาแรงนกสุนัขต่างๆตลอดจนถึงพวกสัตว์เล็กๆต่างๆพวกหนอนต่างๆ มากัดกินมาจิกกินมาดูดกินศพเหล่านี้และก็จะได้เห็นศพเหล่านี้ซึ่งเป็นโครงร่างกระดูกรวมกันอยู่มีเนื้อโลหิตเอ็นรึงรัดก็จะได้เห็นศพเหล่านี้เป็นศพที่เป็นโครงกระดูก ซึ่งเนื้อหมดไปแล้วแต่ยังเปื้อนเลือดยังมีเส้นเอ็นรึงรัดก็จะเห็นศพเหล่านี้ยังเป็นโครงร่างกระดูกไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแล้วแต่แต่ยังมีเส้นเอ็นรึงรัดเป็นโครงกระดูกอยู่ก็จะเห็นศพเหล่านี้ ไม่มีเส้นเอ็นหนึ่งรัดเสียแล้วกระดูกที่รวมกันอยู่เป็นโครงร่างก็หลุดกระจัดกระจายกระดูกมือก็ไปทางหนึง่งกระดูกเท้าก็ไปทางหนึง่งกระดูกแข้งก็ไปทางหนึง่งเขาก็ไปทางหนึ่งขาก็ไปทางหนึ่งจะเอวก็ไปทางหนึง่งกระดูกหลังก็ไปทางหนึง่ง กระดูกที่หลงก็ไปทางหนึ μα, ่งกระดูกปกก็ไปทางหนึ่งกระดูกแขนก็ไปทางหนึ่งกระดูกหัวไหล่ก็ไปทางหนึ่งกระดูกคอก็ไปทางหนึ่งขางก็ไปทางหนึ่งฝันก็ไปทางหนึ่งศีรษะก็ไปทางหนึ่งแตกแยกกระจัดกระจายไปในทิศทางต่างๆและก็จะเห็นกระดูกเหล่านี้มีสีขาวเพียรดังสัง ก็จะเห็นกระดูกเหล่านี้ยังกองกันอยู่บ้างล่วงผ่านพีไปและก็จะเห็นกระดูกเหล่านี้ผุปนละเอียดปนไปกระดินทรายในที่สุดก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนเองให้มาดูด้วยสติด้วยญาณปัญญา จึงจะเห็นจึงจะรู้ว่ากายนี้ซึ่งก่อนแต่เกิดมาเริ่มต้นแต่เป็นกรละละในขันของมารดาก็ไม่มีอะไรและเมื่อเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกเรียกตนเองให้มาดู ด้วยสติด้วยญาณปัญญาจึงจะเห็นจึงจะรู้ว่ากายนี้ซึ่งก่อนแต่เกิดมาเริ่มต้นแต่เป็นกละละในคันของมารดาก็ไม่มีอะไรและเมื่อเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่กละละในคันของมารดา คอ่คอยเติบใหญ่ขึ้นเป็นปัญจสาขามีตามีหูเป็นต้นครบกําหนดคลอดออกมาอาศัยอาหารดํารุงเลี้ยงเติบใหญ่ขึ้นมาจนถึงบัดนี้ทุกๆคนที่นั่งอยู่ในบัดนี้ทั้งหมดก็เริ่มต้นมาอย่างนี้เป็นร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบัดนี้ หายใจเข้าหายใจออกกันอยู่ทุกขณะในบัดนี้และก็อยู่ในอิริยาบถในอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งดังในบัดนี้ก็อยู่ในอิริยาบถนั่งและก็มีอิริยาบถประกาประกอบในบัดนี้กำลังนั่งคู่ขาคูขาเข้ามาเป็นแบบนั่งประเพียบวางมือเข้ามา และผู้ที่แสดงนี่ก็กำลังพูดท่านทั้งหลายผู้ฟังก็อยู่ในอาการนิ่งและก็ประกอบไยอาการสามสิบสองมีผมผมขนเล็บฝันหนังเป็นต้นต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ไปตามหน้าที่ของตนมีอาการคือการกระทำงานของตน ผมก็มีอาการคือทำงานเป็นหน้าที่ของผมคนเน็บฝันหนังเป็นต้นก็เช่นเดียวกันมีอาการคือการทำงานตามหน้าที่ของตนไปและเมื่อสรุปเข้ามาแล้วอาการเหล่านี้ก็เป็นธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลม อาการสา3สิบเอ็สาสิบสองั้งที่กล่าวมาข้างต้นนั่นแหละตั้งแต่เกสาผมจนถึงกรีสังอาหารเกา่าเติมมัทเเกมัทะลุงกังขมองในขมองศีษะรวมเป็นยี่สิบถ้าไม่เติมก็สิบเก้ารวมเข้าก็เป็นปฐวีธาตุดินตั้งแต่ปิดตังน้ำดี จนถึงมุดต่างมุดรวมเข้าสิบสองก็เป็นอาโปธาธาดน้ำเตโชธาธาดไฟนั้นมีตัดแสดงไว้ในที่อื่นก็ในแก่ไฟที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นหรือว่าร้อนไฟที่ ทำให้ร่างกายสุดซอมไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนมากและไฟที่ช่วยในการย่อยอาหารที่กินที่ดื่มที่ลิ้มที่ทีท่่กินที่ดื่มที่ขบเคี้ยวที่ลิมรวมเข้าก็เป็นเตโชธาตธาต วายโยธาธาดลมนั่นก็ได้แก่ลมที่พัดขึ้นเบื้องบนพมลมที่พัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมที่พัดไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งปวงลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกรวมเข้าก็เป็น วายุธาตุลมรวมเข้าก็เป็นธาตุสีดังกล่าวนี้เมื่อธาตุสีเหล่านี้ยังดำรงอยู่ยังรวมกันอยู่ปฏิบัติหน้าที่ของธาตุทั้งสี่นี้อยู่ชีวิตก็ยังดำรงอยู่อาการสามสิบเอ็ดสามสองก็ทำหน้าที่ของตนอยู่ยังพลัดเปลี่ยนอิริยาบถได้อยู่หายใจเข้าใ ห, ใหายใจออกอยู่ แต่เมื่อธาตุทั้งสี่นี้แตกสลายดับลมให้ใจธาตุลมดับไปก่อนธาตุอื่นๆก็แตกสลายตามร่างกายนี้ก็กลายเป็นศพไม่มีการให้ใจเข้าไม่มีการให้ใจออกไม่มีการพลัดเปลี่ยนียบบทอาการสังทีเอ็ดสังทีสองก็หยุดปฏิบัติหน้าที่หยุดทำงาน และศพ น, นี้ก็ตั้งตนเป็นศพที่ตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันเป็นต้นไปจนถึงในที่สุดก็เป็นกระดูกผุปนตามที่ตรัสสอนไว้นั่นท่านั้นก่อนจะถือกำเนิดมาทีแรกก็ไม่มีในที่สุดก็กลับไม่มีเหมือนอย่างเดิมนี่เป็นการที่พิจรารณา กายานุปัสนาสติปทานสติที่กำหนดพิจารณากายสติที่กำหนดกายก็ต้องเป็นเอหิปัสสิโกโเรียกตนเองให้มาดูดูสติด้วยญาณปัญญาให้รู้ให้เห็นจึงจะเป็นสติปัทานตั้งสติจนถึงสติตั้ง เป็นไปในกายตามที่พระพุทธเจ้าที่ตรัสสอนไว้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป